ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวรนานาพระอมราธิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนมีว่ารจนาต่อไปจะเป็นการแสดงในเรื่องของสัตตหาการิจะแสดงในสัตตหาการิศยามีอายุการเพียงเจ็ดวัน คือสับปิเนยใสยนวมนีตังเนยข้นเตลังน้ำมันมะทุน้ำผึ้งฐานิตังน้ำอ้อยยาห้าสิ่งนี้ชื่อว่าสัตตหการิ์รับประเคหแล้วเก็บไปฉันได้เจ็ดวันเกินเจ็ดวันไปถึงอารณ์ที่แปดขึ้นมาเป็นนิสสกีต้องปาจิตตีเป็นนิสส ก, ตตนนกีแล้วฉันต้องทุกข์กดบริโภคในกายก็ไม่วร เอาไปใช้ภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับกายนี้ได้เนยโคเนยแพะเนยกระบือนเนื้อแห่งตัดจําพวกใดทวนเนยแห่งตัดจําพวกนั้นก็ชื่อว่าสปติด้วยก็คือในใเนยใสเนยก้นแห่งตัดเหล่านั้นเองชื่อว่านวมีตะพึงรู้จักโครสห้าก่อนโครสก็หมายถึงรสแห่งโคห้าอย่างน้ํานมแห่งโคแห่งแพะแห่งกระบือ แห่งสัตว์ที่มีเนื้อควรเนื้อที่เป็นกับย่าเนี่ยชื่อว่าขีรังขี่รังก็หมายถึงนมสดน้ํานมนั้นทิ้งไว้นานจนเปรี้ยวชื่อว่าดัททิดดัทิดก็หมายถึงนมส้มสมัยนี้ก็มีกรรมวิธีก็ใส่สารอะไรลงไปก็ทําให้นมนั้นประโยชน์นมส้มนั้นเขาเจียวขึ้นชื่อว่าตัดกังตัดกังก็หมายถึงเปรียงเปรียงนั้นเขาเจียวขึ้นชื่อว่านวณีตังก็แปลว่าเนยข้น เนยข้นนั้นเขาก็เกียวขึ้นอีกก็ชื่อว่าสับ ป, ปิก็คือเนอยใสเป็นหัวหรือว่าเป็นยอดของผลิตภัณฑ์โค่เนยใสเนี่ยนมสดนมส้มเปรียงเป็นยาวากาลิกก็คือเป็นอาหารนามิตรควรแต่ในเวลาเชา้าส่ว น, น, นเนยโ้นเนยใสเป็นสัตหาหกาลิกมีอายุเจ็ดวันนะเนยทั้งสองนี้ในสยามประเทศ ก็คือในประเทศไทยมีน้อยที่ใช้ใช้น้อยไม่ค่อยนิยมกันเพราเหตุนั้นจักไม่วินิจฉัยพิสดาลจักวินิจฉัยแต่ยาสามสิ่งนอกนั้นพวกอะไรน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยในใสกับในข้นรับประเคนในเช้าควรฉันกับอามิตได้ในเช้าบ่ายแล้วไม่ควรฉันปรับจากอามิตได้เจ็ดวันถ้าล่วงเจ็ดวันไปก็เป็นนิสกี นับตามวัตถุและภาชนะที่เก็บไว้น้ำมันเกิดแต่งาเกลืแต่ธันประกาศเมล็ดธันประกาศมะซางละหงและเกิดแต่เปลวสัตว์เหล่านี้มาแต่บาลีเมล็ดงาเมล็ดมะซางเมล็ดละหุงมันเหลวเป็นยาวัจริษพวกเมล็ดงาพวกมะซางละหูอะไรพวกนี้นะมันเหลวก็เป็นยาวัจริกเป็นอาหารเมล็ดนอกนั้นเป็นยาวะชีวิต จากว่าในน้ำมันงาตอนน้ำมันงารับประเคนในตอนเช้าแม้ฉันกับอามิตรในเช้าวันนั้นก็ควรแต่บ่ายไปฉันปรับจักอา m i ต h อย่างเดียวจึงควรถ้าไปฉันกับอามิตรด้วยจะต้องอาบัตวิกาและโภชนาด้วยล่วงเจ็ดวันไปเป็นมิสตักีนับตามภาชนะที่เก็บไว้น้ำมันงารับประเคนในปัจฉาพัท หรือเวลาบ่ายควรฉันปราบจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันทำให้เป็นอุกหิตก็คือไปจับต้องก่อนที่เขาจะประเเสเนี่ยแล้วเก็บไว้จะกลืนกินไม่ควรพึ่งน้องเข้าไปในจิตอื่นเป็นต้นว่าทาตีสักแม้ร่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอาบัตเพราะว่าไม่ได้เอาไว้ฉันรับประเเาในปุรีพัชก็คือในตอนเช้าแล้วทาเป็นน้ามัน ควรฉันได้แม้กับอามิตรในปุเรพัทเท่านั้นแต่ประชารพไปก็คือหลังเที่ยงไปเป็นของไม่ควรจะคลืนกินแล้วนะเพราะว่ารับทั้งวัตถุรับเครงานในปุเรพัทก็ไปทำเป็นน้ํามันพึงน้อง้าไปในกิจเป็นต้นว่าทาศีรษะเพราะว่าหลังเที่ยงไปนี้ไม่ควรนำมาฉันแล้วแม้จะปราศจากอามิตรแม้ล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอบัตเพราะว่าไม่ได้ไว้ฉันแล้ว รับประเค้นเมล็ดงาในปัจฉาพัททำขึ้นเป็นน้ำมันเป็นของไม่ควรกลืนกินเลยเพราะว่ารับทั้งวัตถุแม้ล่วงเกศวันไปก็ไม่เป็นอับัตพึงน้อมเข้าไปในกิจเป็นต้นว่าทาศีสั่แม้ในน้ำมันที่ทำด้วยมเมล็ดงาที่เป็นอุกหิตในปุรยพัทหรือว่าปัตฉาภัท ก, ก็เหมือนกันอย่างนั้นก็คือไม่ควรนำมากลืนกินเลยถ้าเป็นอุกหิตแล้วเนี่ยไปจับต้องก่อนที่เขาจะประเคนเลยนะ น้ำมันซึ่งคั้วมเมล็ดงาหรือนึ่งแป้งงาซึ่งรับประเคินในปุเรยพัทหรือให้ชุ่มด้วยน้ำร้อนกระทำก็ดีถ้าอนุสัมบัญทำไซคควรฉันแม้กับอมิตรในปุเรยพัทก่อนที่ยงเหงฉันได้กับอมิตรถ้าตนเองทำควรฉันรากจากอมิตรอย่างเดียวในปุเรยพัทเท่านั้นเพราะว่าทิสุ ป, ปล้อนเองฉันกับอมิตรไม่ควร เพราะเหตุให้ตุกเองด้วยนะแต่ในปัจชาพัดไปน้ำมันทั้งสองอย่างนั้นไม่ควรจะกลืนกินเลยเพราะว่ารับทั้งวัตถุพึงน้อมเข้าไปในกิดเป็นต้นว่าทาสีสัตว์ในร่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอาบัติถ้าไม่ได้จงใจไว้ฉาดร่วงเจ็ดวันก็ไม่มีอาบัติผีแล้วว่าน้ำร้อนน้อยเป็นสัตแต่ว่าพรมลงเท่านั้นย่อมเป็นอภหาริศไม่ถึงซึ่งอันนับว่าเป็นสามาัคค แม้ในน้ำมันพันธกาาเป็นต้นที่รับทั้งวัตถุก็ไม่ได้ใช้เหมือนเปล่าแล้วในน้ำมันงาที่ไม่ได้รับทั้งวัตถุแต่ถ้าว่าอาจจะเอาจุลแห่งพันธกาาเป็นต้นซึ่งรับประเคณนแล้วในปุเรพัฒมาทำเป็นน้ำมันด้วยให้ตกด้วยแสงอาทิตย์ให้ตกด้วยแสงอาทิตย์น้ำมันนั้นควรฉันแม้กับอมิรได้ในปุเรพัฒแต่ประชารพัไป ควรฉันปราจากอมิตรอย่างเดียวในร่วงเจ็ดวันไปก็คงเป็นนิส ก, กิยาปจัจจิตีเพราะว่าเอาไวฉันเกินเจ็ดวันจะต้องอาบัติเขานึ่งจุนพันธกาศและมะสาเป็นต้นและขั้วเมล็ดระบุงทําเป็นน้ํามันก็อย่างนั้นเพราะเหตุ น, นั้นน้ํามันแห่งของเหล่านี้อนุสัมพันธธรรมควรฉันแม้กับอมิตรได้ในปุเรพัสแต่จะเป็นโทษเพราะรับทั้งวัตถุ ก, ก็หาไม่ข้าอนุสัมพันธ์ธรรมนี้ไม่มีปัญหา เพระเมล็ดพันธากาศเป็นต้นเป็นยาวะชีวิตด้วยเมล็ดพันธุ์อกาศเป็นยาวะชีวิตนะตนเองทําถ้าตนทําเองนะพึงบริโภคปล า, าจากอมิสอย่างเดียวน้ํามันซึ่งทําด้วยเมล็ดพันธุ์อากาศเป็นต้นซึ่งเป็นออกระหิดก็ไม่ควรจะกลือนกินคนบริโภคในภายนอกในร่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอาบัตรับประเคินเมล็ดพันธุ์อากาศมะซางละหุงเพื่อจะทําเป็นน้ํามันแล้ว ทำขึ้นเป็นน้ำมันในวันนั้นควรเจ็ดวันทำในวันที่สองก็ <ningar> ควรหกวันทำในวันที่สามก็ควรห้าวันทำในวันที่สี่ก็ควรสี่วันทำในวันที่ห้าก็ควรสามวันทำในวันที่หกก็ควรสองวันถ้าทำในวันที่เจ็ดก็ควรแต่ในวันนั้นวันเดียวถ้าเอาไว้จนอรุณขึ้นมาก็เป็นนิสกีถ้าทำในวันที่แปดเป็นของไม่ควรจะกลืนกินเลยแต่ว่าควรบริโภคในภายนอกเพราะว่าไม่เป็นนิสกี ไม่เป็นนิติทีนะเพราะว่ามันหมดอายุแล้ว่ะแล้วก็ไม่ได้เอาไว้บริโภคด้วยเพราะฉันก็ไว้ใช้ภายนอกถ้าแม้ไม่ทําเมล็ดพันประกาศเป็นต้นที่รับไว้เพื่อทําเป็นน้ํามันนั้นล่วงเจ็ดวันไปก็เป็นทุกข์กดแทะไม่ทําเมล็ดพันธุ์กาศที่รับไว้เพื่อทําเป็นน้ํามันก็ล่วงเจ็ดวันไปก็เป็นทุกข์ดแต่น้ํามันแห่งมะพร้าวและกระเดาตะเคราะห์และเกี๊ยวสำโรงเป็นต้นอืนอ่น ซึ่งไม่มาในบาลีรับประเคนไว้ให้เกินเจ็ดวันเป็นทุกกฎนี่แลเป็นความแปลกกันในน้ำมันหลักนั้นเพิ่งกำหนดน้ำมันนอกนั้นมีวัตถุเป็นยาวกาลิกและมีวัตถุเป็นยาววชีวิตแล้วเพิ่งรู้โดยวิธีทั้งปวงคือสามักประกาศจึงทำให้สุขเองรับทั้งวัตถุรับในเช้าและบ่ายและมีวัตถุเป็นอุกหิตโดยในดังกล่าวแล้วเธอ น้ำมันแห่งเปลวสัตว์ที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ห้าอย่างก็คือเปลวหมีเปลวปลาเปลวปลาฉลามเปลวหมูเปรวลาด้วยอนุญาตเปลวหมีเปลวแห่งสัตว์ที่มีเนื้อเป็นอัตตปิยะทั้งปวงก็เป็นอันอนุญาตด้วยเว้นแต่เปลวมนุษย์ด้วยถือเอาปลาขึ้นกล่าวแม้ปลาฉลามก็เป็นอันถือขึ้นกล่าวด้วยแต่พระองค์กล่าวปลาฉลามแปลกออกไปเพราะว่าเป็นปลาร้าย ด้วยถือเอาปลาเป็นต้นขึ้นกล่าวมันเหลวแห่งสัตว์ที่มีเนื้อเป็นกัตติยะทั้งปวงประชือว่าทรงอนุญาตด้วยด้วยว่าในเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนื้อแห่งมนุษย์แะช้างมา้าตุนังูดัชนีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสิบนี้เป็นอัติยะส่วนในมันเปลวเปรยวแห่งมนุษย์อย่างเดียวเป็นอัติยะ แต่ว่าเปลวของสัตว์เหล่านั้นก็ยังใช้ได้อยู่เปลวชา้างเตลวมา้าเปลวตุนักงัูแรงต่างยกเว้นเปลวมนุษย์เท่านั้นเองไม่นุญาตส่วนในนมสดเป็นต้นสิ่งซึ่งเป็นอากาศพิไม่มีนมสดของสัตว์ชนิดไหนชนิดไหนแม้กระทั่ง น, นมสดของมนุษย์ก็ใช้ได้กันได้น้ํามันแห่งเปลวที่อนุสัมพันธ์ทำและกลองรับประเคนในตอนเช้า ควรฉันแม้กับอมิตรในเช้าได้แต่บ่ายแล้วไปควรฉันปราบจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันก็แต่เนื้อหรือเอ็นหรือกระดูกเลือดอันใดที่ละเอียดดังผงอันละเอียดมีในน้ำมันนั้นของเหล่านั้นเป็นอโภหาริทไม่เป็นการกล่าวอ้างว่าจะมีอับัตถ้าแลรับประเคษมันเปรวทำเองใซรระและเที่ยวและกรองในเชา้าพึงบริโภคปราบจากอมิตรเจ็ดวัน ข้อซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตให้รับมันเปลียวในการเชียวในการกรองในการบริโภคน้ำมันนั้นอาศัยบริโภครากจากอมิตรแม้ในน้ำมันนั้นเนื้อเป็นต้นที่ละเอียดก็เป็นอภโภหาริษฐานแต่จะรับหรือว่าเชียวในปัจฉาภัฒนไม่ควรเลยด้วยทรงห้าไมไว้ว่าถ้ารับมันเปลียวในวิการเชียวในวิการกรองในวิการบริโภคใช้ต้องทุกกฎสามตัว ถ้ารับในเช้าเจียวในบ่ายกรองในบ่ายบริโภคใส่ต้องอาบัดทุกกฎสองตัวถ้ารับในเช้าเจียวในเช้าแต่ว่ากรองในบ่ายบริโภคใส่ต้องอาบัตดทุกกฎหนึ่งตัวถ้ารับและเจียวและกรองในการบริโภคไม่เป็นอาบัติในไสในคข้นมันเปลวปนกันเจียวกรองด้วยกันมีเดชกล้าข่มโรคได้ควรอยู่ แม้น้ำมันหมีและสุกรแทรกลงในข้าวต้มที่เจือด้วยรากไม้ห้าอย่างและน้ำสาดฉันมีเดดกล้าข่มโรคลมได้เหมือนกันก็ควรต่อไปจะว่าในเรื่องของน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่ผึ้งเล็กและผึ้งใหญ่ทําชื่อว่ามะุมะถุก็หมายถึงน้ำผึ้งน้ำหวานน้ำผึ้งนั้นรับประเทนในเช้าวควรฉันกับอมิตรได้ในเช้า แต่บายไปแล้วควรฉันตัดจากอมิตรได้เจ็ดวันล่วงเจ็ดวันไปถ้าเป็นน้ำผึ้งใหญ่เหนียวดังยางไม้ทาเป็นก้อนๆตั้งไว้หรือว่าน้ำผึ้งเหลวตั้งอยู่ในภาชนะต่างๆเป็นนิจตะคีนับตามวัตถุถ้าเป็นก้อนเดียวเท่านั้นหรือว่าเหลวอยู่ในภาชนะอันเดียวก็เป็นนิจตะคีตัวเดียวเท่านั้น น้ำผึ่งเป็นอุกหิตพึงรู้เดนายดังกล่าวแล้วนั่นแหลคือไม่พึงน้อมมาฉันไม่พึงเอามาฉันแต่ว่าน้อมไปในกิจมีการทาแผลเป็นต้นพึงน้อมไปในกิจมีการทาแผลเป็นต้นนี้เป็นอุกหิตแต่ถ้าเป็นนิสักขีนี่เอามาใช้ภายในกายไม่ได้รวงผึ้งหรือว่าขี้ผึ้งถ้าไม่เปื้อนน้ำผึ้งบริสุทธิ์อยู่เป็นยาวะชีวิตเป็นยาเลยแต่ถ้าเปื้อนน้ำผึ้งก็มีคติแห่งน้ํำผึ้งแท้ตักเจ็ดวัน พึ่งยาวมีปีกอย่างหนึ่งชื่อว่าฉีริก ะ, มะแมลงผู้ใหญ่สีดาอย่างหนึ่งมีกระดูกเป็นปีชื่อว่าตุ่มพละในที่อยู่แห่งสัตว์เหล่านั้นมีน้ําพึ่งเหนียวดังยางไม้น้ํำพึ่งนั้นเป็นยาวะชีวิตเป็นยาจะว่าในผานิษฐานิษก็คือน้ําอ้อยเลยนะผานิษฐ์เกิดแต่อ้อยตั้งแต่น้ําอ้อยสดไปจะดิบหรือว่าสุกไม่ปนด้วยกา น้ำอ้อยเขาทำวิเทศษทั้งปวงไม่ปนด้วยกาพึงรู้ว่าเป็นฐานิเถอร์น้ำอ้อยรับประเคในเช้าควรฉันแม้กับอมิตรได้ในเช้าแต่บ่ายแล้วไปควรฉันปราศจากอามิตรได้ปราศจากอามิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันล่วมเจ็ดวันไปก็เป็นนิสตคีนับตามวัตถุก้อนน้ำอ้อยแม้มากเขาปนละเอียดเอาไว้ในภาชนะอันเดียวแน่นเนื่องอันเดียวกันเป็นนิสทคีตัวเดียวเท่านั้น น้ำอ้อยที่เป็นอุกหิตก็มีในดังกล่าวแล้วนั่นแหละพึงน้อมไปในกิจเป็นต้นว่าอบกุดีน้ำอ้อยงบทำด้วยอ้อยยังไม่ได้กรองรับประเคนในเช้าถ้าอนุสัมบันญทำควรฉันแม้กับอมิดได้ถ้าทำเองควรฉันจากจากอามิดอย่างเดียวแต่บ่ายแล้วไฟเป็นของไม่ควรจะกลืนกินเพราะว่ารับทั้งวัตถุแม้รั่วเกิดวันไาก็ไม่เป็นอบับดั้น้ำอ้อยงบที่เขาทำด้วยอ้อยสดที่ยังไม่ได้กรอง รับประเคีนในบ่ายเป็นของไม่ควรกลืนกินเลยเพราะว่ารับทางวัตถุแม้ล่วงเกศวันไปก็ไม่เป็นอาบัตแม้ในผานิตรับลำอ้อยมาทําก็เหมือนกันอย่างนั้นผานิตรที่ทําด้วยน้ํำอ้อยสดกรองแล้วรับประเคีนในเช้าถ้าอนุสัมบัรรมควรฉันกับอมิตรได้ในเช้าแต่บ่ายแล้วไปควรฉันปราศจากอมิตรได้เกศวันทําเองแม้ในเช้าควรฉันปราศจากอมิตรอย่างเดียว แต่บายแล้วไปก็ควรฉันกรจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็วันอันนี้หมายถึงน้ำอ้อยที่วขากรองแล้วไม่ได้รับทั้งว่าถูกแต่ฐานิษทำด้วยน้ำอ้อยสดที่กรองแล้วรับประเคินในบายควรฉันกระจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันฐานิษเป็นอุกหิตมีอย่างดังกล่าวแล้วนั่นแลในมหาอัตถกถากล่าวว่าฐานิษทำด้วยอ้อยเผาหรือว่าด้วยอ้อยขั้วอ้อยต้ม ควรในเช้าอย่างเดียวแต่ในมหาปัญจรีถามว่าภานิสุกทั้งวัตถุจะควรหรือไม่ควรแล้วกล่าวว่าผานิสทำด้วยอ้อยชื่อว่าจะไม่ควรในบ่ายนั้นไม่มีดังนี้คำนั้นต็ชอบแล้วถูกแล้วผานิสดอกมะซางาทำด้วยน้ำเย็นควรฉันแม้กับอามิร ได้ในเช้าแต่บ่ายแล้วไปคนฉันราลจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันล่วงเจ็ดวันไปก็เป็นทุกกฎนับด้วยวัตถุแต่ผานิดดอกมะตางเขาเจือนน ม, มสดลงด้วยเป็นยาวะตาลิศก็เป็นอาหารไปแต่ขันทักษกรเขาเอานมสดออกเสียทําให้บริจุทดเพราะเห็นนั้นขันทักรนั้นควรแต่ดอกมะตางสดและเขาคั่วแล้ว ตำเจือด้วยของอื่นหรือไม่เจือก็ตามควรแม้ในเช้าถ้าหากเขาถือเอาดอกมาตำนั้นประกอบเพื่อเป็นเมไรเขาประกอบแล้วแต่พืชไปไม่ควรผานิษฐ์แห่งผลไม้เป็นยาวะกาลิกทั้งปวงก็เป็นอาหารเป็นต้นว่ากล้วยผลอินทผาลัมมะม่วงสาเกขนุนแผ่นมะขามแผ่นเป็นยาวะกาลิกแท้ก็เป็นอาหาร คนทั้งหลายก็ทําผานิษด้วยพลิกสุกผานิชฐ์คือพลิกแผ่นนั้นชื่อว่ายาวะชีวิตถ้าเอาพลิกสุกนี่มาทําเป็นผานิษฐ์ก็เป็นยาวะชีวิตเป็นยาได้อันหนึ่งน้ำตาลกรวดน้ําตาลทรายน้ําตาลหม้อน้ําตาลปลึกสงเคราะห์เข้าในผานิษทั้งนั้นก็มีอายุได้เจ็ดวันเป็นตถาคตยาห้าอย่างนี้รับประเคนแล้วไม่ให้ล่วงเจ็ดวันไป แม้เป็นไข้หรือไม่เป็นไข้ก็ตามพึงฉันตามสบายเถิดด้วยของที่พระองค์ทรงเฉพาะอนุญาตมีเจ็ดประการก็คือจับจงไว้เฉพาะจับจงไว้มีเจ็ดอย่างก็คือเฉพาะพยาธิอย่างหนึง่งเฉพาะบุคคลอย่างหนึง่งเฉพาะการอย่างหนึง่งเฉพาะสมัยอย่างหนึง่งเฉพาะประเทศอย่างหนึง่งแล้วก็เฉพาะเปลเวมันอย่างหนึง่งเฉพาะยาอย่างหนึง่งสุดท้ายอันที่เจ็ดอนุญาตเฉพาะพยาธินั้น ดังทรงอนุ ญ, ญาตให้พิจุอันอมนุษย์สิงกายฉันเนื้อดิบฉันเลือดดิบเนื้อดิบเลือดดิบนั้นควรแก่พิจุอาพาเช่นนั้นอย่างเดียวให้ควรแก่พิจุอื่นเนื้อเลือดนั้นเป็นกัปปิยะหรือว่าอากัปปิยะควรแก่พิจุอาพาชนั้นแท้ทั้งเช้าและบ่ายอันนี้ก็อนุ ญ, ญาตเฉพาะพญาทีจะถีสิ่ิงพิจุเนี่ยก็ฉันเลือดดิบเนื้อสดอะไรได้ อนุญาตเฉพาะบุคคล น, นั้นดังอนุญาตอาหารที่เรออ้วกถึงลาคอแล้วก็วกลับเข้าไปไม่เป็นอบัติแก่ทิจูตผู้มักเรออ้วกอนุญาตนั้นควรแก่ทิจูตผู้มักเรออ้วกพวกเดียวไม่ควรแก่ทิจูตอื่นแต่นําออกมาถึงนอกปากแล้วอย่า ก, กลับกืนเข้าไปถ้ากลืนเข้าไปก็ต้องอบัติถ้าในเวลาวิการก็ต้องอบัตธนอาหาในเวลาวิการเลยส่วนอนุญาตเฉพาะการนั้นดังตรงอนุญาตยามหาวิกา สิอย่างก็คือมูดคูดเท่าดินเฉพาะในการทิษุ์งูกัดอย่างเดียวแม้ไม่ได้รับประเคนฉันก็ควรในการอื่นนั้นไม่ควรอนุญาตเฉพาะสมัยนั้นก็ดังอนุญาตไม่เป็นอาบัติเพราะฉันคณะโภชนะในสมัยเป็นต้นว่าเป็นไข่ไม่เป็นอาบัติแต่ในสมัยเช่นนั้นอย่างเดียวในคราวอื่นก็เป็นอาบัติสามารถทิยฉันอาหารที่เขานมนออกชื่อ เราก็ฉันรวมกันสี่รูปรับเพชรวมกันสี่รูปขึ้นไปเนี่ยได้แต่ถ้าไม่ใช่สมัยไม่มีสมัยเป็นไข่หรือว่าได้รับการกระถินเป็นชีวรคาชีวะการอะไรทั้ น, นี้ก็มีอบัติอนุญาตเฉพาะประเทศนั้นดังทรงอนุญาตอุปสมบทด้วยคณะสงฆ์มีวินัยทอนเป็นที่ห้าเป็นต้นในปัจจันตะประเทศอย่างเดียวในมัชชิมะประเทศนั้นไม่ควรถ้าในมัชชิมะประเทศต้องพระพิสดุสิบรูปขึ้นไป ส่วนอนุญาตเฉพาะมันเตลวนั้นดังอนุญาตมันเตลวห้าให้เป็นยาด้วยชื่อแห่งมันเตลวมันเตลวนั้นรับกรองเชียวในการฉันได้แต่น้ํามันก็แลอนุญาตนั้นควรแก่พิสูจผู้ต้องการด้วยมันเตลวเอามันเตลวแห่งสัตว์ที่มีเนื้อเป็นกับพิยะหรือว่าอกับพิยะทั้งปวงเล้นแต่มันเปลวแห่งมนุษย์ยักษ์นอกนั้นมาทําเป็นน้ํามันฉันได้ทั้นั้น อนุญาตเฉพาะยานั้นก็ดังเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ้งน้ำอ้อยแม้สำเร็จอาหารกิจได้ทรงอนุญาตด้วยชื่อว่าเป็นเพสัตชยานั้นรับประเขนแล้วพึงฉันตามสบายในเช้าวันนั้นนะวันนั้นก็ฉันได้ตามสบายเลยแต่บ่ายแล้วเนี่ยเมื่อมีเหตุพึงฉันได้เจดวันหลังจากเที่ยงนั้นไปแล้วนี่ก็ฉันได้เจ็ดวันแต่ว่ามีเหตุแต่ตอนเช้าไม่มีปัญหาฉันได้ แต่น้ำไอ้งบน้ำตาลกรวดน้ำตาลทรายน้ำตาลหม้อที่แข็งข้อนอยู่ถ้าเป็นไข้ก็เคี้ยกินได้เลยถ้าไม่เป็นไข้ไม่ควรเคี้ยกินเพิ่งละลายน้ำฉันละลายน้ำฉันได้ด้วยตรงอนุญาตเลยว่าอนุชานามิพิกเวเพาความละคีรานัสสะคุลังอธิรานัสสะคุโล ด, ดังนี้ยาห้าอย่างนี้จะไม่ฉัน จะเอาไว้บริโภคภายนอกเป็นต้นว่าทาสีตัดและตามตะเกียงพึงอธิษฐานเสียว่าจะไว้บริโภคภายนอกในภายในเจ็ดวันถ้าจะเอาน้ํามันที่อธิษฐานเทลงในภาชนะน้ํามันที่ยังไม่ได้อธิษฐานถ้าในภาชนะช่องเล็กละเอียดน้ํามันใหม่ค่อยๆเข้าไปน้ํามันเก่าก็ท่วมทับได้พึงอธิษฐานเสียใหม่ถ้าช่องปากกว่าน้ํามันมากเข้าไปเร็ว ทับน้ำมันเก่าได้กิจที่ต้องอธิษฐานอีกไม่มีด้วยว่าน้ำมันใหม่ก็เป็นของมีกติแห่งน้ำมันที่อธิษฐานแล้วแท้แม้เทน้ํามันที่ยังไม่ได้อธิษฐานลงในภาชนะน้ํามันที่อธิษฐานแล้วก็พึงรู้โดยในนั้นเถิดก็คืออะไรอยู่ข้างบนก็เอาตามนั้นอธิษฐานหรือ ย, ยังไม่อธิษฐานอันหนึ่งยาห้าสิ่งนี้รับประเคีนไว้ฉันไม่หมดพึงสนับเสียภายในเจ็ดวัน ถ้าเป็นของสองเจ้าของผู้หนึ่งรับประเคนไว้ยังไม่ได้แบ่งกันล่วงเจ็ดวันไปไม่เป็นอบัติด้วยกันทั้งสองเพราะว่ายัางไม่ได้แบ่งแต่จะอนามาฉันไม่ควรของนั้นก็เป็นอันล่วงไปเจ็ดวันเป็นนิสกีไปแต่ว่าไม่มีอบัติเพราะว่ายังไม่ได้เป็นของใครแม้ผู้รับประเคนบอกให้ผู้หนึ่งฉันผู้นั้นไม่ฉันล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอบัติด้วยกนันทั้งสองเพราะผู้รับกอ่อสละเสร็จแล้ว ผู้หนึ่งนั้นก็ไม่ได้รับถ้ายังไม่ถึงเจ็ดวันแล้วก็สละแล้วเนี่ยพวกอนุสบันนำไปภายหลังนำมาถวายคืนอีกก็ฉันได้อีกได้เจ็ดวันท้าไม่สี่นาทีก่อนสตธาหการิกักรก็จบต่อไปจะแสดงการิททั้งสี่ระคอนกันโดยพบบระบาลีว่ายาวาการิเกนะพิคเวยามาการิ ก, ก, า, า, การกตัด้หุ ป, ปฏิกข้าหิตังเขาคำละ สัตตาหาติกันเตนะกัปติดังนี้ความว่ายามะกาลิกสัตต า, าการิกยาวะชีวิตสามอย่างนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งรับประเค้นไว้ในวันนั้นด้วยกันกับยาวะกาลิกก็คืออาหารเอาสิ่งที่เป็นสัตต า, ากาลิกยาวะชีวิตรับประเค้นด้วยกันกับยาวะการิกย่อมควรในการไม่ควรในวิการในวิการไี่ควรเลยนะ สัตตหาตาริกยาวชีวิตสองนี้สิงไดสิ่งหนึ่งรับประเคนในวันนั้นด้วยกันกับยามะตาริกต้องควรในยามคือไปตะคนกับยามะตาริกก็ควรแค่วันหนึ่งคือหนึ่งคือวันหนึ่งไปจนชั่วรุ่งร่วงยามไปคือถึงอรุณใหม่ไม่ควรยาวชีวิตรับประเคนกับซาตตหาตาริกควรเจ็ดวันร่วงเจ็ดวันไปไม่ควร ในอาจจกถาว่าคงทั้งปวงในบาลีนั้นอาศัยเอาการลิบเหล่านั้นที่มีรถระควันกล่าวด้วยว่าถ้าว่าน้าอัถบาลเจือกับผลมะพร้าวทั้งลูกไม่ได้เอาเปลือกออกเสียรับประเค้นด้วยกันแล้วนำเอามะพร้าวออกเสียอัถบาลนั้นแม้ในวิการก็ควรทายกทั้งหลายเวางก้อนสับปิบนข้าวปลายาที่เย็นถวาย ตาปิก็คือในใสยใดที่ไม่ระคลนด้วยข้าปลายาตถตาปินั้นจะนำเอาไว้ฉันในเจดวันก็ควรแม้ในน้ำผึ้งที่เหนียวและน้ำอ้อยงบวางบนข้าปลายาตก็เหมือนกันเช่นนั้นถ้ายกเขาเอากระวาลและผลแห่งจันเป็นต้นระดับบินทบาตมาถวายเพึงยกเอากระวาลและผลแห่งจันนั้นขึ้นล้างเสียไว้บริโภคตราบเท่าสิ้นชีพเถิด แม้เขาเอาขิงเป็นต้นปนกับข้าวต้มถวายและเอาชะเอมเป็นต้นประคนกับน้ำมันถวายก็เหมือนกันอย่างนั้นการลิกใดๆมีรสไม่ระคนปนกันการลิกนั้นๆแม้รับประเคีฑงด้วยการการบริสุทธิ์อย่างใดล้างหรือปอกเคลียรอย่างนั้นแล้วและบริโภคตามการแห่งการลิกนั้นๆก็ควรถ้าแลมีรสอันเจือระคนกันไซไม่ควรด้วยว่ายาวะการลิก ย่อมชักกาลิกทั้งสามเป็นต้นว่ายามากาลิกซึ่งมีรสเจือกันกับตนเข้าสู่สภาพความเป็นเองของตนเหลืออายุสั้นเพียงวันเดียวเพียงชั่วเที่ยมเท่านั้นยาวะกาลิกแม้ยามากาลิกก็ย่อมชักกาลิกทั้งสองเป็นต้นว่าชาตาตาริกกับยาวาชีวิตนั่นแหละเข้าสู่สภาพความเป็นเองแห่งตนก็คือเหลือแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้น แม้สัตหาการิษย่อมชักยาววชีวิตที่ระคนกับตนเข้าถูกสภาพความเป็นเองแห่งตนแท้ก็คือเหลือเพียงเจ็ดวันเพราะฉะนั้น้าการฤตระคนกันก็ถือเอาตามอายุสั้นอายุของการฤตที่สั้นที่สุดเพราะเหตุนั้นยาวชีวิตรับประเคนในวันนั้นหรือว่ารับประเคนในวันตอนระคนกับสัตตหาการฤตที่รับประเคนในวันนั้นย่อมควรในเจ็ดวัน ยาวะชีวิตนั้นระคนกับสัตหการิกที่รับประเคณแล้วสองวันก็ย่อมควรในหกวันระคนกับสัตหการิกที่รับประเคณในสามวันก็ย่อมควรในห้าวันระคนกับสัตหการิคที่รับประเคณแล้วเจ็ดวันพึงรู้ว่าควรในวันนั้นวันเดียวเถิดเพราะเหตุนั้นแท้ในบาลีจึงไม่กล่าวว่ายาวะชีวิตรับประเคณในวันนั้นด้วยกันกับสัตหการิก แล่าวแต่เพียงว่ารับประเคนกลับด้วยตาตาลิกจ้องควรในเจ็ดวันเท่านั้นก็แลครั้นกาลิกนั้นๆล่วงกาลและยามและเจ็ดวันไปพึงรู้ว่าเป็นอาบัตโดยวิการละโภชนะสิขาบทถ้าเกิดไปฉันตอนเลยเที่ยงไปแล้วนะก็เป็นอาบัตในวิการละโภชนะถ้าเกิดเก็บสัตสมเอาไว้ด้วยเฉพาะสองอย่างก็คือยาวะตาลิกกับยามะตาลิกถะเก็บสัตสมเอาไว้ฉันในวันรุ่งขึ้นก็เป็น สันนิธิการตกาติขาบทอบัตปัจจิตีแต่ว่าถ้าเป็นสตากาลิกกับยาวชีวิตอันนี้เก็บไว้ไม่เป็นสันนิธิก็แลในกาลิกทั้งสี่นี้ยาวกาลิกกับยามากาลิกสองนี้เป็นอันโตวุตทะได้ด้วยเป็นสันนิธิได้ด้วยคือถ้าไปเก็บในอกักติยกุดีก็เป็นอันโตุตทะถ้าเก็บค้างคืนเอาไว้รุ่งขึ้นนอมฉันก็เป็นสันนิธิ แต่สัตสหาการิกกับยาวะชีวิตแม้จะเก็บไว้ในอาตพยาิยคุดีก็ควรไม่ให้เกิดสันนิธิได้ด้วยก็คือไม่เป็นสันนิธิการิกกสังสักพะกถาก็จบเรื่องของการิษกระควรกันวันนี้ก็สมควรแต่เวลาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาได้อุปนิสัยปัจจัยในการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะว่า ผู้ที่มีการตั้งใจฟังก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยแล้วก็ขอให้มีอุปนิสัยในการบรรลุมรคนโดยการอบอรมไตรสิกาให้เจริญเกล้าหน้ายิ่งขึ้นก็ขอให้ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยทั่วการเทือนสาธุสาธุสาธุ